บางทีก็อายุวันนะสุขะโภคะพละอยพรยพออ4ีก็มีพร5ก็มี <c oughs> พรหกก็มีเนี่ยคำว่าอภิวาธนาสีทธิ์จะริจังวุ ธ, ธาปจายัยโนจัตารัธรรมาวันติอายุวโนโสุขังบาลังพระท่านให้คำนี้ยคำว่าอายุแปลว่าระหว่างอายุมากกับอายุน้อยเนี่ยหนูชอบอะไร ชอบอายุมากหรือยน้อยอายุน้อยชอบอายุมากหรือายน้อยฮะอายุมากพ่อมากเลยใช่ไหมคำว่าอายุศาสตร์เนี่ยเขาแปลว่าพลังพลังชีวิตพลังหล่อเลี้ยงชีวิตนั้นยิ่งมากยิ่งดีถ้าคนมีพลังหล่อเลี้ยงชีวิตหรือพลังชีวิตต่ําเช่นบางคนเนี่ยอายุ น้อยก็จริงแต่มีพลังหล่อเลี้ยงชีวิตน้อยกดถู่ท่อถอยท่อแท่งห่อเหี่ยวเนี่ยต่อให้ยุมากหรืออายุน้อยตามที่เราสมมุติกันเนี่ยแต่อย่างนี้เขาเรียกว่าพลังชีวิตต่ำถ้าท่านบอกว่าขอให้มีอายุมากก็คือขอให้มีพลังชีวิตเนี่ยให้มากเวลาพระท่านบอกอายุวันโนเนี่ยอายุขอให้มีพลังชีวิตให้มากก็เลยบอกอะไรที่จะเสริมถ้าไม่มีพลังชีวิต ก็บอกฉันทะกคือคมีใจรักอย่างแรงกล้าในการที่จะทำสิ่งที่ดีงามทั้งเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกายว่าไปวุริยาก็คือมีความแกล้วกล้าอาหารจิตตะก็คือจิตจดจอ่อไม่ไ ม, ไม่ไม่ถอนความตั้งใจส่วนปัญญาเรีวิมังสาก็มีปัญญาสอบสวนตรวจตราฝึกในคุณธรรมสีระการนี้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตจะเป็นผู้มีพลังชีวิต ให้มีความเป็นผู้มีอายุยืนส่วนวันณะเป็นชื่อของกุศลศีลให้มีศีลทํากายสะอาดวาจาสะอาดอาชีพบริสุทธิ์และจะเป็นคนมีวันณะผ่องใสมีชื่อเสียงเกียรติยศ ด, ด้วยอายุวรรณะสุ ข, ขาเป็นชื่อของสมาธิเป็นชื่อของสติเป็นชื่อของความเพียรเป็นกลุ่มของสมาธิเมื่อมีสวามสุขแล้วจิตจะได้เป็นสมาธิสุขในสมาธิแต่ละระดับในเรื่องสุขขา พละเป็นชื่อของปัญญากําลังกายกําลังใจท่านขับเน้นกําลังปัญญาที่สามารถประหัตประหารกิเลสไม่เป็นธาตุของกิเลสอย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละคือว่ารคือตัวนี้แหละที่พระท่านมาให้เป็นภาษาบาลีได้หลักการก็ให้พวกเราไปฝึกเราจะได้เป็นผู้มีมีความเป็นผู้มีอายุยืนอย่างแท้จริงมีวันนะก็คือมีกุศลศีลหล่อเลี้ยงกระแสชีวิตมีสุขขะก็คือกลุ่มสมาธิมีพะละก็คือมีปัญญา สามารถกำจัดกิเลสที่เป็นเหตุถึงความฝ่ายต่ำเป็นต้นได้้ขอให้เราสมปราถนาในพรที่มาขอในวันนี้สุขขังสุปฏิสุขังปฏิพุทชตินะภาปะกังสุภีนางปัสติมนุสานางปีโยโวติอมนุสานางปิโยโวติเดวจาระคันตินาสะอคีวายสังวาสตังวากรรมติตูทังจิตังสมาธิยติด้วยอนุภาพเป็นคุณของพระเจ้าพระธรรมบเรียสองก้อยยมทั้งหลายชมพิภูหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันยร้าย ขอให้เทียวดารักษาเป็นทีละของมนุษย์ทั้งหลายเป็นทีละของอมนุษย์ทั้งหลายไปสัตรายาพิษโรครา้ายอย่าได้เบียดเบียน <c oughs> มีสีหน้าที่มองผ่องใสมีสมาธิตั้งมั่นเร็วไม่หลงทําการกิริยาปรารถนาทรัพขอให้ได้ทรัพปรารถนายอดขอใหได้ยอดปรารถนาความสุขให้ได้ความสุขให้สมปรารถนาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเธอ